ที่ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนา ไม่ได้วังเงินทองไม่ต้องการสิ่งไห คะ่ะท่านผู้ฟังที่ครบคะ่ะวันนี้รายการสัสนิษฐานาก็มาพบท่านตรงเวลานะคะฉันสันนิษฐานพง์เป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ทางสถานีวิทยุ f m 106ครอบครัวข่าวสําหรับวันพรหั ส, สบุรีและวันศุกร์นี้ในส่วนช่วงถามโลกตอบธรรมเนี่ยนะคะเราก็จะมีพระมาร์ชาคาวโรแห่งวัดนาป่าพงลําลูกกาคลองสิซึ่งกมาที่นี่พร้อมๆกับการนําเอาพุทธวัจนะ ฉบับก้าวย่างอย่างพุท ธ, ธะที่มามอบให้กับพวกเราทุกคนทุกคนวันละหท่านเนี่แหละนะคะใครอยากได้เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปเพราะว่าสิ่งที่ท่านจะนํามาพูดในช่วงของพริหัตถกุศลเนี้ยก็จะเป็นการเอาคําของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสูตรจากพุทธว จ, จนะจากพระโอษณะนะคะมาขยายความเพื่อให้เราชาวพุทธนั้นได้รู้ แล้วก็ได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติแล้วก็ได้พบ ว, ว่าภูมิปัญญาของพระพุทธองค์นั้นสูงส่งเพียงใดทรงดูแลพวกเรามาตั้งแต่ที่ตรัสรู้เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้และดิฉันเชื่อว่ายังอยู่ไปอีกนานนะคะถ้าหากว่าพวกเราร่วมกันสืบทอดในคำสอนของพระพุทธองค์ที่เป็นคำตรงคำจริงโดยพระพุทธองค์นั้นก็ได้ตรัสเอาไว้เองด้วยนะคะว่าในการต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะคลาดเคลื่อนถ้าหากว่า เราไปฟังคาของคนอื่นโดยไม่ได้ฟังคำตถาคตแท้ๆยอย่างนี้ก็เลยพยายามที่จะให้ท่านได้มีโอกาสฟังกันน ะ, นะคะที่นี่แต่ว่าก่อนที่จะถึงเวลานั้นวันนี้จะเป็นเรื่องเบาๆหน่อยแต่ดิฉันเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็เป็นข้อมูลที่ใหม่สําหรับปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานปลานะคะคนจํานวนมากเลิกรับประทานเนื้อสัตว์ชนิดอื่นหมดแล้ว เหลือปลาเนี่ยังพอไว้ใจไปอ่านมาจากหนังสือมัตถิชนคอลัมน์โฟกัสสุขภาพคะ่ะเขาบอกว่าปลานะ่มีคุณประโยชน์แต่ต้องปรุงถูกวิธีมหาวิทยาลัยฮาวายได้ทำการศึกษาล่าสุดนะคะบอกว่าจะรับประทานปลาให้เป็นประโยชน์เต็มที่นะ่ก็ต่อเมื่อปรุงด้วยการอบหรือการต้มอบหรือต้มแทนการทอดตากแห้ง หรือหมักเกลือสำหรับผู้หญิงด้วยแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นปลาที่อบหรือต้มแล้วเติมซอสถั่วเหลืองที่มีเกลือต่าตามด้วยเต้าหู้จะให้ประโยชน์ดีกว่าทานปลาอย่างเดียวนะคะปลาหมักเกลือในคนทายแย่หน่อยนะคะปะลาร้าก็หมักเกลือปลาไรล่ะปลาเจา้าปลาส้มอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งปลาแดดเดียวอย่างเงี้ยเาเขาบอกว่าสู้ปลาสดแล้วมาต้ม หรือว่ามามานึ่งไม่ได้นะคะต้องลดไขมันอบหรือต้มเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่เขาทำการทดลองกับผู้ชายตั้งแปดหมื่นกว่าคนผู้หญิงตั้งแสนกว่าคนที่ลอสแองเจลิสกับฮาวายหลายเชื้อชาติทั้งคนขาวคนผิวสีคนญี่ปุ่นคนที่พูด ภ, ภาษาสเปนแล้วก็ชาวฮาวายอายุ ระหว่าง45ถึง75ปีซึ่งไม่เคยมีประวัติโรคหัวใจมาก่อนใช้เวลาในการติดตามผลเกือบ12ปีค่ะขาดไป3เดือนเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่ามีผู้เป็นโรคหัวใจ 4,516 คนผู้ชายที่บริโภคโอเมก้าสามารถที่สุดประมาณ 3.3 กรัมต่อวันลดความเสี่ยงต่อ ก, การโรคหัวใจลง23เปอร์เซ็นตเทียบกับ คนที่กินเพียงวัน ล, ละ 0.8 กรัมส่วนผู้หญิงนั้นเขาบอกว่าถ้าจะให้ได้ผลในการเสี่ยงโรคหัวใจเนี่ยต้องกินปลาร่วมกับซอสถั่วเหลืองและเต้าหู้ค่ะก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยประจวบเหมาะพอดีพดีเลยที่ฉนันก็ได้ยินว่าพระมาร์กชาคาวโรนเนี่ยนะคะท่านก็ได้เตรียมเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการมาด้วยเหมือนกันส่วนจะเป็นอย่างไรสาหรับโภชนาการ จากครั้งพุทธการนี้ก็เดี๋ยวไปฟังจากท่านกันในช่วงต่อไปนะคะสัญหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึง้งซึ่งปัญญาในสันสนีสนธนาสวัสดีครับผมพิษณุเอิงกลัดวันนี้ผมมาแนะนำทิปในการรวยเบ้นรวยเงินล้านง่ายๆครับ แกฝากสลากออมสิพิเศษชมหมายอายุ5ปีเพียงหน่วยละ100บาทคนก็มีสิทธิ์ลุนรดเบนถึง10คันฟังไม่ผิดหรอกครับรุนเบนเดือนละครับสองเดือนสุดท้ายลุนเดือนละ3คันรวดแถมรุนวันที่1รวม20ล้านบาททุกเดือนฝากครบกำหนดรับดอกเบีย้ยสูงงานนี้ฝากก่อนลุนรดเบนก่อนถึง30เนษายนีนะโทรเลย1115 ตอบรรมท่านฟังคะ่ะและตอนนี้เราก็มาถึงช่วงเวลาที่ท่านจะได้ฟังพระสูตรซึ่งพระมาร์ชาคาวโรวัณปปงลำลูกกาคลองสิบจะนำเอามาฝาพวกเราทุกคนกันเป็นประจำนะคะในทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์ซึ่งเป็นการที่จะทำให้ท่านนั้นได้เข้าถึงพุทธวัชนะแบบเต็มๆในแต่ละพระสูตร พรอมทั้งมีคำอธิบายด้วยนวัต ก, การคะท่านมารคะอาจารย์พรก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้ตรัสกับภิกษุทลายถึงเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตัวในการที่จะทานอาหารซึ่งอาตมามองว่าทั้งอภิกษุแล้วก็ฆราวาสเนี่ยสามารถนํามุมต่างๆที่พระพู้มีพรภาคเจ้าเนี่ยตรัสไว้เนี่ยเอนํามาใช้ได้จะอาจให้ฟังว่าท่านตรัสไว้อย่างไร ท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอพึงสำเนยกตนเองให้ได้ว่าเราจะเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่สมอจากพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัมเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่ง แต่ฉันเพื่อเพียงให้กายนี้ตั้งอยู่ได้ไเพื่อให้ชีวิตเป็นไปไเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พมจนร์อันนี้คือที่พระพูทมีพระพักตเจ้าตรัสไว้ว่าในการประพฤติตัวเนี่ยเราควรจะมองวิธีการทานอาหารอย่างไรคือไม่ให้ฉันเพื่อเล่นไม่ให้ฉันเพื่อมมวเมาไม่ให้ประดับไม่ให้ตกแต่งเลยไม่ให้ฉันแบบเล่น เนี้ตั้งอยูได้เพื่อให้ชีวิตนี้เป็นไปป้องกันความลําบากเพื่ออนุเคราะห์ภู ม, มิอาจารย์ก็คื อ, เ, อ, อเพื่อให้การประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมใของพระพุทธมิตรภาคเจ้าเนี่ยเป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นพระภิกษุเนี่ยก็คือชั้นหนึ่งมือ้อในการชั้นหนึ่งมือเนี่ยเอก็อต้องมีการที่ให้มีธาตุดินน้าไฟลมที่ได้มาต่างหากเนี่ย มุนเวียนเข้าไปสู่ร่างกายเพราะว่าร่างกายในยังต้องการธาตุน้ำไปลงเพื่อจะให้ชีวิตนี้ดำลงไปได้นี่ทานไปแล้วก็เพื่อที่ว่าหลังฉันแล้วเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้คือให้เดินจงคมสลับนั่งสมาธิไปทนเส้นยามแรกแห่งราตรีเพราะนั้นจุดประสง์ในการฉันอาหารของพระนี่ก็คือว่าให้อ่อร่างกายเนี้ยดำลงยูได้เพื่อให หลังทานหลังทานอาหารแล้วเดินนั่งเดินนั่งไปตลอดเพื่อทําจิตให้หลุดพ้นส่วนทวายญาโยมก็อาจจะมองในมุมที่ว่าบางทีถ้าโอกาไม่อํำนวยการทานอาหารเนี่ยก็เป็นไปเพื่อให้ร่างกายเนี้ยคงอยู่ได้และสามารถที่จะทํางานเพื่อให้เป็นประโยชน์ทั้งตนเองแล้วก็เป็นประโยชน์ทางส่วนรวมต่อไปที่ท่านก็ยังปรัสต่ว่าด้วยการทําอย่างนี้เราจัดขจัดเวทนาเก่า คือความหิวเสียแล้วไม่ทําเวทนาใหม่เคยความอิ่มจนเคยความอิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีทุกขเพราะอาหารและความอยู่ภาสุขสำราญจะมีแก่เราดังนี้เิกสุดทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนกไว้อย่างนี้แล มีพระพุทธมีพระอาจารย์ได้ตัดไว้ว่าหลังถ้าเราเอ่อมองการทานหาหรในแง่ที่ว่าไม่ทานเพื่อเล่นไม่ทานเพื่อโมเมาไม่ทานเพื่อประดับไม่ทานเพื่อตกแต่งแต่ทานเพื่อให้ร่างกายเนี้ยดำรงอยู่ได้เพื่อป้องกันความลําบากเนี่ยการทําแบบเนี้ยเนี่ยจะเกิดผลอะไรก็คือว่าการทานอย่างนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถขจัดเบตนาเก่าหรือความหิวเซีาแล้วก็ไม่ทํา เวทนาใหม่คือความอิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่พระพุทธมีพระพักตเจ้าได้มองอย่างละเอียดมากในการทานอาหารว่าจุดประสงค์การทานอาหารนี้คือบำบัดความหิวแล้วก็ไม่ทำร่างแต่ให้อิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นคือทานแต่พอดีครพวกเราทุกคนก็เคยคงใคยเมตต า, าว่าทานจนอิ่มจนอึดอัดจนจุกเสียนแน่นพองไปตลอดทั้งวัน นี่คือ่ารทีไม่มีความพอดีในการทานอาหารพระพุทธมีพระเจ้าเคยบอกว่าให้ทานแต่พอดีดังนั้นแล้วอายุเราก็จะดําเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารก็จะเกิดขึ้นอาหารนี้ก็จะไม่มาเป็นพิษภัยทําให้เราต้องอิ่มจนเกินไปจุกเสียนหรือถึงขั้นต้องอาเจียนออกมาแล้วก็ความอยู่พาสุขสํารางก็มีแก่เรา พระพุทธมีพระเจ้าได้ตรัสไว้ถึงเรื่องการเป็นผู้รู้ประมาณในการทานอาหารหรือผู้รู้ประมาณในผอชนะในมีอีกนัยยะหนึ่งที่พระพุทธมีพระเจ้าพูดไว้ไม่ได้เกี่ยวกับการทานอาหารแต่เกี่ยวกับความเมาเครงหน้าถ้าเราคิดไว้ตอนแรกอาจจเป็นเรื่องของการดื่มสุราต่างๆแต่อยากให้เรามาฟังดูว่า ถ้าผู้มีพระเจ้าได้พูดถึงความเมาไว้อย่างไรบ้างท่านตกิดกับพิกษุททั้งหลายว่าพิษุททั้งหลายความเมาสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างอะไรกันเล่าสามอย่างคือความเมาว่ายังหนุ่มอยู่ความเมาว่ายังไม่มีโรคเป็ดเบีย ความเมาว่ายังมีชีวิตอยู่เภสุตทั้งหลายปุถุชนพึ่งไม่ได้สดับดภามมัวเมาด้วยความเมาว่ายังหนุ่มอยู่ย่อมประพฤติพุชจริตทางกายประพฤติพุชจริตทางวาจาประพฤติพุชจริตทางใจข้นขอประพฤติพุพุชข้นขอประเพฤติพุจริตทางกาย ทางวาจาทางใจแล้วภายหลังการตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายสุคติวินิบาทนรกภิกษุทั้งหลายประตชนผู้ไม่ได้สดับยรทำมัวเมาด้วยความเมาว่ายังไม่มีรเบียดเบียนย่อมประพฤติพฤจริตทางกายประพฤติพฤจริตทางวาจา กระพืดทุจริตทางใจครั้นขอกระพืดทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วภายหลังแต่การตายเพราะการแตกทําลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกพิศุขทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมมัวเมาด้วยความเมาว่ายังมีชีวิตอยู่ ย่อมประพฤติทุจริตทางกายประพฤติพุจริตทางวาจาประพฤติทุจริตทางใจค้านขอประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วภายหลังแต่การตายเพราะการแตกทําลายแห่งกายจยื่มข้อถึงอบายสุคติวินิบาตนรก นี่พระพุทธมีพระพาทเจ้าได้พูดถึงนัยยะของความเมาว่าสามอย่างที่บุคคลอา จ, จะมีความมโมเมาได้นั่คือว่าเมาว่าตัวเองยังนมเมาว่าตัวเองยังไม่มีโรคเพาว่าตัวเองยังมีเิตอยู่ <S <S ความเมานี้จะส่งผลอย่างไงก็คือส่งผลให้บุคคลนั้นเนี่ยประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจการขอประพฤติทุจริทางกายทางวัต ทางวาจาทางใจแล้วเมื่อหลังจากการตายเพราะการแต่ทางลายแห่งกายเนี่ยก็ย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาสนะครันี่เป็นความเมาที่พระพุทธมีพระพาทเจ้ามองไว้ว่าน่าจะเป็นความเมาที่อันตรายอาจจะเม า, เ, าเป็นความเมาที่น่ากลัวกว่าการที่ เ, เราเบลุ่มธุดายมอะไรซึ่งเป็น เครื่องของเป็นเมามาว่ายังหนุม่มเมาว่ายังไม่มีโรคเิ็เดือนมาว่ายังมีชีวิตอยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามันอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นหมองไม่เห็นว่าในความหนุ่มก็ยังมีความแก่ซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคนั้นก็มีโรคซ่อนอยู่ในความที่มีชีวิตนั้นก็มีความตายซ่อนอยู่แล้วพวกมีพระพเจ้าจริงเพื่อนเราสมัครว่า อย่าให้มีความเมาเพราะยังหนุ่มเพราะยังไม่มีโรคเพราะยังมีชีวิตนี้ทําให้เราต้องไปประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจให้กำเนิดผสู่อภับบยทุกติปฏิบัตินรกภายหลังจากที่เราเสี่ยงชีวิตลงไปแล้วเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเอประสูชน์ที่ รามองว่าเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการาทานอาหารแล้ทก็การเกี่ยวข้องกับอการทานอาหารแล้วก็ความเปนเมาที่จะติดตามม า, าวันนี้ก็มีคือสองพระสูตรค่ะท่ า, านอ า, าจารย์คะท่านท่านอาจารย์คะค่ะสําหรับทั้งสองพระสูตรนี้นี่จะว่ากันไปแล้วสอดคล้องอายุสมัยปัจจุบันนะคะ คนปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการกินเยอะค่ะท่านคะคือส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาแล้วต้องเสียเงินเสียทองเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการกินมากเกินไปคืออ้วนคลินิกลดความอ้วนก็เลยเป็นคลินิกที่เบ่งบานมากมยาลดความอ้วนก็กลายเป็นยาขายดีมีสูตรต่างๆนี้อาหารต่างๆทีนี้พระผู้มีพระเจ้าได้พูดถึงวิธีการทานว่าทานอย่างไรค่ะ ไ, ได้ควรถือ่าเออควรจะทานอะไรแต่ว่าทานอย่างไรดีให้พ<ช> อ, อดีคือ<ย>ถ้าพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นหลักการเลยนะคะใช่คือสม <ง S 3> วางหลักการไว้ใช่ซึ่งซึ่งคือมองว่าเราทานเพื่อข จ, จัดความหิวเดิมเสียนะะก็ให้ท้องเนี่ยแอบเต็มแล้วก็ไม่ทําความอิ่มจนอึนดอัดให้เกิดขึ้นค่ะก็คือมองให้ทานให้พอดีจริงจริงคือมันเหมือนกับว่าคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเกิดมาตั้งแต่ กว่า 2,500 ปีใช่แต่พอมาถึงวันนี้ถ้าเราจะพิจารณาดูกันจริงๆเราจะได้พบเลยนะคะว่าจริงๆท่านที่ตรัสในสิ่งที่เป็นเรื่องปัญหาใหญ่แบบพื้นฐานใช่ของเรื่องของตัวเราของเรากับกายของจิตของมนุษย์นี่เองใช่ค่ะแล้วก็อย่างเรื่องการรับประทานเนี่ยนะคะดูเหมือนกับว่า คนก็ชอบนะถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งอะคะ่ะท่านบางคนนี่ต้องแสวงหานะคะทานธรรมดาไม่ได้ต้องทานพิสดารมีการเฉาะกระโหลกลิงของประทานโทษนะคะมาตักซดกันหรือว่าเอาปลาที่ยังเป็นๆอยู่จับหัวเอาไว้จุ่มเอาส่วนตัวทอดให้ปลาดิ้นดอกๆดกดอกแกเ น, นี้ยก็เคยเห็นออกในการโทรทัศน์นะนะคะที น, นี้ส่วนคนที่มีฐานะมีอันจะกินหรือบางทีอยู่ในตําแหน่ง ที่คนเขาอยากจะให้กินก็จะบริโภคแต่ของล้วนมันเกินความต้องการของร่างกายอ ม, มันก็เลยทําให้มีของแถมจากของอร่อยเนะคือโรคสารพัดเลยค่ะท่านใช่ซึ่งถ้าถ้าเราลองพิจารณา ด, ดีๆเนี่ยเออบางทีเราก็าเห็นอยู่ตรงหน้าว่าเนี่ยบางทีเราเราพูดถึงว่าเอ้ยเดี๋ยวพานเข้าไปเดี๋ยวก็ขับถ่ายออกมาค่ะแต่ว่าเราเราไม่ได้ลองพิจรารณ า, า, าจริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแล้วมันน่า มันก็หาความมีสาระจากทารอาหารที่วิธีกฤจสดาไม่ได้อย่างอย่างมันเอถ้าเราพิจนะว่าเออเราทานเข้าไปแล้วพอเข้าหน้าปุ๊บอาหารลองดูซิเออดี <c oughs> ออกมาได้เมื่อห้านาทีสิบนาทีที่แล้วเออมันเป็นปูขนกล า, ายเป็นอะไรไมันก็ไม่รู้สาบินไปกินฮ่องกงแล้วท่าน อ, อ่าใช่ซึ่งถ้าเราเราให้เวลากับการที่จะมาเออลองพิจารณากับตรงนี้จริงๆทุกๆวันเนี่ยมันจะเกิดความเออเห็นจริงแต่แด้วคิดว่าเออมันก็เท่านี้นะก็ทานให้พอดี ไม่ใช่ว่าโอไม่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทานไม่ดีเลยแต่ว่าทานไปด้วยความรู้ตัวว่ากําลังทานอยู่แล้วก็จะทานนี้ก็ได้จะทานปกติก็ได้แต่ว่าทานเพื่อให้เอาอาตมาเช่าคือว่าความหิวเดิมเนี่ยมันมันหมดสิ้นไปแล้วก็ไม่ให้ความข้องกันอัดเก็บเข้มขจัดเวทนาเก่าไม่สร้างเวทนาใหม่อันนี้ท่<ำ> <laughs> านทำพระพุทธองค์ต้องเป็นแบบนี้แล้วมั ค, คะใช่ค่ะ <laughs> ท okay. ่านอาจารย์คะแต่ว่าชอบอีกส่วนหนึ่งที่ท่านพูดถึงเรื่องความเมาอ <laughs> อยากจะมาพูดในส่วนนี้นะคะว่าความเมาในลักษณะนี้มันเกิดแบบไม่รู้ตัวนะคะมันเหมือนกับว่าเราเพลินๆไปอะ่ะมันก็ยังหนุ่มสาวอยู่นี่นายังมีชีวิตชีวาอยู่เราจะไปกลัวทำไมใชซ่ซึ่งก็เป็นความเมาที่บางทีเราไม่รู้ตัวเองเลยว่าเมาอยู่ อย่างบางทีถ้าเกิดจากความเมาจากอสุลาเมลัยมันอ่เริ่มมีละอานี้นะเริ่มนะเริ่มละนิดหนึ่งเริ่มมึนๆอ่ะเริ่มวเป็นความเมาแต่ว่าความเมาในความหนุ่งความเมาในความไม่มีโรคความเมาในความว่ามีชีวิตเนี่ยมันเราเรามาเมามัวเมาอยู่ในนี้โดยที่ไม่รู้ตัวแล้แต่วก็ยากที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็รับรู้ได้ค่ะและจริงๆยาแก้ที่พระพุทธองค์ได้ให้สูตรไว้นี่ก็ไม่ยากเลยนะคะ คือเมาความหนุ่มหมายความว่าประพฤติทุจริตกายวาจาใจเราก็แก้ด้วยการที่ประพฤติสุจริตกายวาจาใจอย่างนั้นไหมคะใช่ถ้คือให้ให้ระวังไว้ว่าเนี่ยนะเออเราก็สักวันหนึ่งความแก่จะมาถึงเราสักวันหนึ่งโรคก็จะมาถึงเราสักวันหนึ่งความตายก็จะมาถึงเราเพราะนั้นขั้นต้นอย่าประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเขาแคขั้นต้นแล้วก็ขั้นถัดไปก็ถ้า ู้บุคคลที่มีการได้สดรับในธรรมเห็นโทษภัยนี้ก็มาเร่งประพฤติปฏิบัติในเพื่อให้ถ้าสามยาวเนี่ยมาถึงเราเนี่ยเราก็สามารถอยู่เป็นผาสุขได้ น, นั่นคือการที่มาประพฤติปฏิบัติให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุก็คือเนี่ยมาสวยรู้อยู่กับลมหายใจเรื่อยๆค่ะและชอบในส่วนที่ท่านได้หยิบยกเอาพุทธวจนะที่บอกว่าในความหนุ่มมีความแก่ หรือยังไงนี่ยคะอยากให้ท่านพูดทวนซ้ำอีกทีแล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองตั้งใจฟังนะคะเผื่อว่าท่านจะได้ถือเป็นคาถาประจำตัวเลยทีนี้ท่องอยิ่งได้เตือนตัวเองไว้เดี๋ยวดิฉันจะจำไปท่องด้วยเช่นกันค่ะใช่ที่พระพุทธเจ้าได้บอกว่าในในความหนุ่มก็มีความชราซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคก็มีความมีโรคซ่อนอยู่ในชีวิตก็มีความตายซ่อนอยู่ มืมันเป็นสองด้านที่มันอยู่ด้วยกันปลอดเวลาแต่ว่าเรามักจะมองในด้านที่ดีเสมอคือมองในด้านที่ความหนุ่มความไม่มีโรคความมีชีวิตนี่คือเห็นอาัศาทะคือรสอร่อยค่ะแต่เราต้องมองให้เห็นถึงอคินาวะของมันด้วยคตอตรรือรสอันตร اف ้าค่ะก็ท่านฟังคะจําไม่ยากนะคะในความหนุ่มมีความชราไม่ชอบคําว่าแก่กระท o องความชราดีกว่าในความหนุ่มมีความชราในความไม่มีโรคมีโรค ในชีวิตมีความตายมีมรณะดังนั้นจงอย่าประมาเทเถิดอย่างนั้นไหมคะใช่ก็คือ อ, อ, อย่าประมาทก็ในขั้นแรกก็อย่าประพฤติจลิตทางกายทางวาจาทางใจรักษาศี่ห้าแล้วก็มาเร่งประพฤติปฏิบัติเพื่ อ, อ, อทําจิตเนี้ยให้หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายก็ค่อยๆสังสมไปเรื่อยๆด้วยการละความเพลนมีสติรู้อยู่กับลมหายใจ และทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังมันอย่างยิ่งถ้าน้อมนำไปปฏิบัตินะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณพระมาร์คชาคาวโรวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบไว้นะโอกาสนี้ค่ะนำมัสการนะคะแชถามโลกตอบธรรมท่านฟังที่ครบรอคะท่านกำลังฟังรายการสันสนีสนทนาอยู่นะคะสำหรับพระสูตร ที่ได้นําเอามาเสนอกันในช่วงของวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ก็ผ่านพ้นไปค่ะแต่ว่าในตอนนี้เราจะมาอ่านพุทธประวัติจากพระโอรสซึ่งอ่านให้ฟังเรื่อยมาจนกระทั่งถึงตอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าบุรพชาติหรือว่าพระชาติก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ฝากเอาหลักธรรมต่างๆ ทมวินัยจากพุทธโอษ์ให้พวกเราได้ใช้ประโยชน์กันมาถึงวันนี้นะคะมีอยู่พระชาติหนึ่งพระพุทธเอกพระพุทธองค์เป็นพราหมณ์ค่ะโดยได้ตรัสว่าในสมัยนั้นเราเป็นพราหมณ์ผู้ปุโรหิตผู้สั่งงานบูชายันของพระเจ้ามหาวิชิตรราชเรื่องมีแล้วในการก่อนพระเจ้ามหาวิชิตราชาเป็นราชา ผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากมีเงินและทองเหลือเฟือมีอุปกรณ์ของทรัพย์เหลือเฟือมีทรัพย์และข้าวเปลือกเหลือเฟือมียุ้งฉางเต็มล้นวันหนึ่งประทับอยู่ณที่สงัดเกิดพระดำริว่าเราได้เสวยมนุษย์สมบัติอันวิบูรณครอบครองปัตถพีมณฑลอันยิ่งใหญ่ถ้าะไรเราควรบูชามาหายันอันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราสิ้นกาลนาน รับสารให้หาพราหมณปุโรหิตมาบอกพระดําริตนี่แล้วขอให้บอกสอนวิชาการบูชายันพราหมณปุโรหิตก็ได้ทูลสนองพระดรํามฤตนั้นว่าแว่นแคว้นของพระองค์ยังมีเส้นหนามหลักต่อการปล้นฆ่าในหมู่บ้านก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในจังหวัดก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในนครก็ยังปรากฏการแย่งชิงตามระยะหนทางก็ยังปรากฏและถ้าพระองค์จะให้เลิกเก็บสวยในขณะที่แว่นแคว้น เป็นไปด้วยเส้นหนามหลักต่อเช่นนี้ก็จะได้ชื่อว่าทำกิจไม่ควรทำอีกประการหนึ่งพระองค์อาจทรงพระดาริว่าเราจะถอหลักตอคือโจรผู้ร้ายเสียได้ด้วยการประหารการจองจำการริบการประจานหรือการเนรเทศดังนี้ข้อนี้ก็ไม่เชื่อเป็นการกำจัดได้ราบคาบด้วยดีพระผู้ที่ยังเหลือจากการถูกประหารก็ยังมี ชนพวกนี้จะเบียดเบียนชนบทของพระองค์ในภายหลังแต่ว่ามีอุบายที่จะถอนหลักต่อเหล่านั้นให้ราบคาบด้วยดีได้คือชนเหล่าใดบากบั่นเลี้ยงโคเพื่อกาศิกรรมพระองค์จงประทานพืชพันุ์ข้าวแก่ชนเหล่านั้นชนเหล่าใดบากบันในวานิจเจกรรมพระองค์จงประทานเงินเพิ่มให้ชนเหล่านั้นชนเหล่าใดเป็นข้าราชการขอพระองค์จงประทานเบี้ยเลี้ยงแก่ชนพวกนั้นมนุษย์เหล่านั้น จะข้นขวายในการงานของตนไม่เบียดแควไม่เบียดเบียแนแว่นแคว้นของพระองค์และพระคังหลวงก็จะเพิ่มพูนมากมายแว่นแคว้นจะตั้งอยู่ด้วยความเกษมปราศจากเส้นน้ําหลักตอ่อผู้มนุษย์จะร่าเริงบันเทิงนอนชูบุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนอกแม้จากไม่ปิดประตูเรือนในเวลาค่ําคืนก็เป็นอยู่ได้พรามครั้นชนบทนั้นสงบจากเส้นน้ําหลักต่อแล้วปุโรหิต จึงกราบทูลวิธีแห่งมหายานปรามในการบูชายันนั้นโคแพะแกะไก่สุกรไม่ได้ถูกฆ่าสัตว์อื่นก็ไม่ต้องได้รับความวิบัติพลาดพรากต้นไม้ก็ไม่ถูกตัดมาเพื่อหลักยันเชื้อเพลิงก็ไม่ถูกเกี่ยวตัดมาเพื่อการเบียดเบียนสัตว์ใดให้ลำบากพวกที่เป็นทาสเป็นคนรับใช้และกรรมกรก็ไม่ต้องถูกคุกคามด้วยอาทยาและความกลัวไม่ต้องร้องไห้น้าตานองพลางทาการงานพลาง ใครปรารถนาจะทำก็ทำไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องทำปรารถนาทำสิ่งใดก็ทำเฉพาะสิ่งนั้นไม่ปรารถนาทำสิ่งใดก็ไม่ต้องทำสิ่งนั้นอย่างนั้นสำเร็จไปแล้วด้วยเนยใสยน้ำมันเนยข้นนมสม้มน้ำผึ้งน้ำอ้อยพรามเรารู้ชัดเจนอยู่ซึ่งหมู่ชนเหล่านั้นผู้บูชายันอย่างนี้แล้วภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมบังเกิดนสุขติโลกสวรรค์ปราม ในสมัยนั้นเราเป็นพราหมณ์ผู้ปุโรหิตผู้สั่งงานบูชายัญของพระเจ้ามหาวิชิตรราชนั้นจะเห็นนะคะว่าเมื่อตอนที่ดํารงพระชาติเป็นปุโรหิตมีหน้าที่ถวายความเห็นกับพระราชาเกี่ยวกับเรื่องการที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองนะคะก็ยังใช้วิธีการที่ไม่ต้องเบียดเบียนแต่เป็นวิธีการที่ลึกซึ้งมากและได้ยังคิดว่าทบทวนดูให้ดีใน ยุคนี้ปัจจุบันนี้ก็มีการนำเอาใช้บ้างนะคะแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะนำมาประกอบในการถือว่าเป็นศาสตร์ทางการปกครองอีกอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้อย่างดีค่ะและนี่ก็เป็นพระชาติที่แล้วที่ผ่านานมาของพระพุทธองค์จากพุทธประวัติจากพระโอษฐ์วันนี้เราใช้เวลากันมาเต็มที่แล้วนะคะรายการสันสนีสนธนาขลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ